นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสมมสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ใครจะกิเลตัสรูชอบได้โดยพระองค์เอง ขอนอบน้อมพระธรรมด้วยขอนอบน้อมภระเรียรส่เจ้าทั้งหลายด้วยด้วยความเคารพเพื่อเพื่อขอโมทนาการเราท่านทั้งหลายที่ตั้งใจในการจะฟังทำปฏิบัติธรรมกันพระสุคตเจ้าพระองค์ใดไม่ทรงปรารถนาแล้วซึ่งทุกไม่ทรงปรารถนาแล้วซึ่งสุขและทุกข์และอุเบกขาด้วยปฏิบัติธร ที่มีความเหมาะสมไม่ปราถนาแล้วซึ่งสมบัติที่กามชักจูงและซึ่งที่กามชักจูงไม่ได้ไม่ทรงปราถนาแล้วซึ่งพบที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งและซึ่งพบที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งทรงละไปแล้วข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ในคำว่าสุขและทุกเนี่ยสุขเนี่ยหมายถึงความสุขกายและก็สุขใจได้แก่โสมนัสความยินดีเพื่อเพลินสุขในราชบัลลังก์ตอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกบรรพชาเนี่ยอีกเจ็ดวันนั้นพระองค์ก็จะได้สวยความสุขในจักรพรรดิราชแต่พระองค์ก็ปฏิเสธความสุข ที่จะได้ในราชสมบัติที่เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิความสุขที่ได้จากการเป็นเทวดาและพรหมพระองค์ก็สละมาอย่างยาวไกลในสังสารวัตรที่เกิดด้วยกําลังแห่งกุศลในสังสารวัตที่สั่งสมมาอย่างยาวไกลถ้าเราดองมองดูในด้านของพระทานาบ ร, รมีศีลบ ร, รมีเนคขมมาปัญญาวิริยะที่พระองค์สั่งสมมาอย่างยาวไกลในสังสารวัตเนี่ย อำนาจของบุญกุศลในพพสุดท้ายที่จะหลั่งไหลสู่กระแสชีวิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าตอนเป็นคาวาสเนี่ยมากมายมากฉะนั้นท่วมท้นสามารถปกครองโลกนี้ทั้งใบแล้ก็จะได้สวยความสุขอย่างมหาศาลแต่พระองค์ก็ปฏิเสธความสุขนั้นเพราะเห็นว่าความสุขนั้นไม่สามารถที่จะทาให้ตนเองนั้น พ้นจากชาติคือความเกิดชลาคือความแก่พยาธิคือความตายมรณะมรณะคือความตายพยาธิคือความเจ็บไข้เป็นต้นได้และก็ไม่สามารถจะขนสัตว์หรือสัตว์ออกจากสังสารวัตรได้ซึ่งความสุขซึ่งเป็นยอดในโลกอันใดพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ไม่ทรงปรารถนาซึ่งสุขนั้นตรงนี้คําว่าสุขทุกข์ได้แก่ทุกข์ที่พระพุทองค์ได้ทรงบําเพ็ญมาเนะ ถ้าเรามองดูตอนที่พระบรมศ า, ศาสดาทรงบำเพ็ญทุกขการกริจหกปีเนี่ยตอนในชาติสุดท้ายเนี่ยทุกที่เกิดจากการบริจาคดวงตาถามว่าที่จริงพระองคนะ์ไม่ได้ปรารถนาเนี่ยทุกอย่างเนี่ยไม่ได้ปรารถนาว่าทุกที่จะต้องควักดวงตาให้เป็นทานทุกในการที่จะตัดเนื้อให้เป็นทานทุกในการที่จะ ให้ศรีระเป็นทานอวัยวะเป็นทานให้ชีวิตเป็นทานเนี่ยมันเป็นความทุกข์เป็นความทรมานอย่างยิ่งนะไม่ได้ปรารถนาความทุกข์เหล่านั้นและทุกข์ในการเวียนว่ายตายเกิดในการไปเกิดเป็นสัตว์รกเกิดเป็นสัตว์แดจานเป็นเปรตเป็นอสุรกายและทุกในการที่จะเกิดเป็นมนุษย์เป็นต้นพระสุขเจ้าไม่ทรงปรารถนาแล้วไม่ปราถนาแล้วซึ่งทุกข์เหล่านั้นพระเจ้าไม่ได้ปรารถนา ตรงนี้พระโพธิสัตว์นั้นทรงละอัตติกิรมฐ า, านุโยคเป็นต้นนั่นคือทุกข์ส่วนความสุขที่เกี่ยวแน่นในกลามาคุณพระองค์ก็ไม่ทรงปราถนาประการต่อมาก็คือว่าพระสุคตเจ้าไม่ทรงปราถนาสมบัติที่กลามชักจูงก็หมายความว่าไม่ปราถนาในภพสมบัติที่มีกา ม, มาติหาชักนาพา แลวก็สมบัติที่กามชักจูงไม่ได้ต่แก่พระสุคตไม่ได้ทรงปราถนาโลกุตรสมบัติที่ทรงได้มาด้วยการสละกามะฉันทะถ้ามองอย่างนี้ก็คือว่าพระเจ้าเมื่อเมื่อได้พร น, นิพพานแล้วพระองค์ก็ไม่ได้ไปยินดีในโลกุตระอย่างเดียวนะแต่สิ่งที่พระองค์ปราถนาพระสุคตเจ้าไม่ทรงปราถนาสมบัติ ที่ความปรารถนาของพระองค์ชักนำคือความเป็นพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงจะทำอภินิหารความตั้งความปรารถนาแทบมูลบาทพระบรมศาสดาพระทีบังกรสมัสมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็อดกลั้นทุกขเวทนาจากการบริจาคดวงตาเป็นต้นในการที่กําหนดประมาณไม่ได้แล้วได้มาด้วยความยากลําบากอย่างใหญ่หลวงพระสุคตเจ้าทรงสละแล้วซึ่งความอาลัยในทุกข์ที่ทรงได้รับและความปรารถนาของพระองค์นั้น ซึ่งความอะไรในความเป็นพระพุทธเจ้าที่ทรงได้มาในทุกนั้นด้วยแต่ถ้ามองอย่างนี้ตอนที่พระพุทธเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วในพญามารเนี่ยมาขอให้พระพุทธเจ้าปรินิพานถ้าพระพุทธเจ้าอะไรความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุเจ้าจะไม่ยอมสลัขันธมานนะแต่ทําไมพระองค์จึงสลัขันธธมารให้กับพญามารที่มาขอให้ปรินิพานรู้ไหมเพราะตอนนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนพิสุทิ์ทั้งหลายกิจอันใดที่ถถาคตได้ทำดํำแกเธอ จิตอันนั้นสถาคตทำแล้วดูก่อนพิสูจทั้งหลายเป็นต้นดูก่อนพิกษุน์นิวบาสก์บาสิกาทั้งหลายนั่นโคนไม้ก็พือว่าถ้าปรารถนาเป็นพระเจ้าก็ต้องการเป็นชั่วนิรันดรใช่ไหมพระองค์ไม่ได้ปรารถนาตรงนั้นแต่ความปรารถนาของพระองค์นั้นปรารถนาจะได้มาซึ่งสัพพัญญตญาณเมื่อได้สัพพัญญตญาณแล้วอัตยาใสาในการที่จะขนสัตว์หรือสัตว์ออกจากสังสารวัตรจึงเกิดขึ้นทีนี้เราท่านทั้งหลาย ให้พิจารณาเห็นคุณของพระพูทมีพระภาคเจ้าให้ชัดวันนี้มาสรุปประเด็นอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าพุทธะ ธ, ธรรมะและสังขาที่สารณาคมเนี่ยเราจะเข้าถึงอย่างไรและถ้าเข้าถึงแล้วเราจะได้อะไรเราจะสังเกตได้อย่างไรว่าตอนนี้กระแสชีวิตของเรานั้นอ่ะเข้าถึงพระรัตนตรัยแล้วหรื อ, อยังไม่เข้าถึงเอาอะไรเป็นเครื่องวัด พุทธะเนี่ยที่เป็นสารณะเนี่ยคําว่าสารณะนี่แปลว่าอะไรคําว่าสารณะเนี่ยคําว่าสารณะ น, นี่มาจากคําว่าคําว่าสารณะสารณะนี่นะเขาแปลว่าอะไรเนี่ยสารณะมีอยู่สี่ความหมายหนึ่งมาจากคาว่าวทะก็าแปลว่าการฆ่า การฆ่าประการที่สองค่ า, าเนี่ยแปลว่าที่พักอาศัยประการที่สามรักขิตะสิ่งปกป้องคุ้มครองหรือที่พึ่งประการที่สี่รักขณนะการรักษาคุ้มครองเห็นไหมสารณะเนี่ยแปลว่าการฆ่าแปลว่าที่พักอาศัย แปลว่าสิ่งป้องกันคุ้มครองหรือที่พึ่งแปลว่าที่พึ่งใ น, นเองสารนะมีความหมายหนึ่งแปลว่าการรักษาคุ้มครองในสารนะคมเนี่ยนในชั้นของคำสอนท่านใช้คำว่าเบียดเบียนก็ได้ถามว่าทำให้เราคำว่าที่พึ่งคำว่าที่พักอาศัยคาว่าเบียดเบียนเนี่ย ฉะนั้นความหมายเนี่ยในชั้นของคาสอนที่สารณะสารณะในที่นี้ก็หมายความว่าพราะเบียดเบียนหรือนําออกไปไม่เหลือซึ่งภัยฉะนั้นถ้าใครถึงสารณะนะท่านผู้นั้นก็จะสามารถนําภัยเนี่ยนําภัยออกไปจากกระแสชีวิตโดยไม่มีเหลือภัยคือความสะดุ้งต่อไปเนี่ยถ้าใครถึงสารณะนะจะไม่มีภัยคือความสะดุ้งกลัวไม่มีความทุกข์ ไม่มีความลำบากจักไม่ประสบทุกติคือไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์นรกไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรตไม่ต้องไปเกิดเป็นอสุรกายแล้วและก็กระแสชีวิตของท่านผู้นั้นก็จะหมดไม่เศร้าหมองอีกต่อไปด้วยกิริยาที่ถึงสารนะนั้นแห่งชนทั้งหลายผู้ถึงสารณาอย่างแท้จริง นิะการต่อมาแล้วก็มาสังเกตดูที่ว่าถ้าเราถึงสารณะอย่างแท้จริงตอนนี้ภัยพิบัติทั้งหลายนี่เราพ้นภัยได้ยังหรอพ้นภัยได้ยังพ้นจากความหวาดกลัวหรือยังหวาดสะดุ้งตอนเนี้ยพ้นได้ยังตอนนี้ยังมีความหวาดกลัวอยู่ไหม ย, ยังมีความหวาดสะดุ้งอยู่ไหมตอนนี้ยังมีทุกขติอยู่นะคติที่จะไปในทางที่ไม่ดี คือการไปเกิดเป็นเปรตยังลําบากอยู่ไหมเนี่ยกระแสจิตของเรายัางเศร้าหมองอยู่ไหมเศร้าหมองหรือไม่เศร้าหมอง mm hmm. ยอมสํารวย mm hmm. ยังหมองอยู่ไหมยังทุกข์อยู่ไหม mm hmm. ยังมีความเศร้าหมองอยู่ไหมถ้ายังมีความเศร้าหมองอยู่บ่งบอกให้ mm hmm. เห็นชัดว่าตอนนี้ mm hmm. กระแสจิตของเรายังไม่ได้สารณะนะ mm hmm. คือยังไม่ได้ที่พึ่งยังไม่ได้เครื่องกําจัดภัย อะไรคือภัยภัยได้แก่ภัยในวัฏฏะคิดว่าพ้นหรือยังพ้นจากการเกิดหรือยังพ้นจากการแก่การเจ็บการตายความวิบัติพลัดพักพ้นหรือยังเนี่ ย, ยคำว่าหวาดระดุ้งได้แก่ความหวาดะดุ้งของจิตตอนนี้ยังมีความหวาดสะดุ้งเป็นระยะระยะไหมมีมไม่มีที่หวาดสะดุ้งเพราะอะไรเพราะใจไม่ได้ที่พึง่ง ใจไม่ได้ที่คุ้มครองไม่มีที่คุ้มครองใช่ไหมตอนนี้ยังสะดุ้งกลัวอยู่ไหมเนี่ยฉะนั้นกับคนที่จะเข้าถึงสารณะได้เนี่ยความภัยทั้งหลายโดยเฉพาะภัยในวัฏจัหรือความหวาดสะดุ้งทั้งหลายก็จะค่อยๆหมดไปตามลําดับเหตงการ์ที่เข้าถึงนั้นๆสังเกตดูสภาพจิตใจดูนะใครเข้าถึงสารณะได้เท่าไหร่ความสะดุ้งหวาดกลัวในใจก็น้อยลงเท่านั้นวัดกันตรงนี้ก่อน กิเลสในใจนี่ถือว่าเป็นภัยไหมความโลภเป็นภัยความโกรธเป็นภัยความมัวเมาลุ่มหลงเป็นภัยความอิจฉาลิษยาเป็นภัยมานะความเย่อหยิงถือตัวทิฐิคือความเห็นผิดเป็นภัยสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่อยๆลดเป็นไปตามลําดับตามสภาพกระแสจิตใจที่เข้าถึงสราระนั้นอตอนนี้ยังมีความเศร้าหมองแห่งใจอยู่ไหม ย, ยังมีถีน้ำมีทะ ก, ก้มรุมอยู่ไหม ขดถูท้อถอยถ้าสภาพตรงนี้ยังกุ้มรวมอยู่สะแพะบ่งบอกให้เห็นชัดว่าตอนนี้สภาพของสรารณาคมในใจนั้นอ่อนแอคือยัองเศร้าหมองอยู่ทุกได้แก่ทุกทางกายตอนนี้ยังมีทุกทางกายอยู่ไหมยังมีโทมะนัทางใจคนที่ถึงสราระอย่างแท้จริงเขาไม่ทุกกายแล้วตอนเนี้ยเออ พระสารีบุตรท่านทุกกายไห ม, ไม ท, ท่านปฏินิพพานหรือยังปฏินิพพานแล้วกายท่านไม่ทุกข์ใจท่านทุกข์ไหมไม่ทุกข์นั่นคือคนเท่าถึงอย่างพระเจ้าเนี่ยถึงสารณะชัดไหมชัดเลยเป็นหนึ่งในองคสารณะด้วยในหนึ่งสารณะด้วยแปลว่าท่านไม่ทุกข์กายท่านไม่ทุกข์ใจแล้วทุกขติคือความเศร้าหมองทุกทั้งหมดที่นับเนื่องอยู่ในทุกขติภูมินะที่จริงเนี่ยถามว่าถ้าเกิดมาเนี่ยนะ เกิดมาแล้วยากจนมากๆเลยเนี่ยต้องกระเสือกกระสนดิ้นรนเนี่ยหาแต่ละมื้อไม่มีจะกินอันนั้นก็เป็นทุกขติอย่างหนึ่งนะเกิดมาพิกลพิการเนี่ยมีเท้าก็บังคับเท้าไม่ได้ให้สําเร็จกิจไม่ได้มีมือก็ไม่สามารถไม่สามารถจะควบคุมมือตนเองให้ประกอบกิจการงานได้มีปากเลลิ้นก็ไม่สามารถจะควบคุมปากก ล, ลิ้นให้สําเร็จประโยชน์เป็นต้นได้ก็จะต้องเป็นทุกขติอย่างหนึ่ง ฉะนั้นกรณีการถึงสรารณะเนี่ยจะพ้นจากสิ่งเหล่านี้ด้วยนะความเศร้าหมองทั้งหลายเนี่ยทีนี้พุทธาเป็นสร า, ณาสราณะสารณะก็เบียดเบียนก็คือกําจัดนําออกก็ได้นำออกซึ่งภัยถามว่าพระพุทธเจ้านําออกซึ่งภัยก็คือความกลัวของสัตว์ทั้งหลายเห็นไหมนำนำออกซึ่งภัยคือความกลัวของสัตว์ทั้งหลายด้วยการที่ยังสัตว์ทั้งหลายให้ประพฤติในทางที่เป็นประโยชน์เช่น ให้ตั้งอยู่ในศีลถามว่าถ้าหากเราฆ่าเราทำปานาริบาตเราฆ่าสัตว์เรารักทรัพย์เราก็พืชผิดในกรรมถามว่ากรณีแห่งกรรมที่เกี่ยวกับการฆ่าเนี่ยจะเป็นเหตุทำให้เราลงอบายภูมิใช่ไหมถ้าเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่อ่อนแอทางด้านสุขภาพคุณภาพของชีวิตก็แย่ ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็พิกลพิการโรคภัยแค่เจ็บก็เบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นคนที่มีสติปัญญาต่ำอ่อนแอทั้งด้านความคิดที่สุดจริงๆกลายเป็นคนเครียดง่ายคิดอยากฆ่าตัวตายหรือถูกฆ่าตายเป็นต้นมีบุตรมีบริวารก็จะแตกแยกอย่างี้นะถามว่านี่ถือเป็นภัยไหมฉะนั้นพุทธะนี่แหละดึงสัตว์ทั้งหลายให้กลับจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ หันก็าหาสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลก็คือการงดเว้นจากการฆ่าการงดเว้นจากการรักการงดเว้นจากการประพฤติผิดในการที่กระทําในลักษณะอย่างนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ท่านพุนนั้นโดยเฉพาะเนียแต่เราจะเข้าถึงหรือไม่สังเกตดูว่าสภาพจิตใจที่คิดจะฆ่าเนี่ยลดได้ทันทีไหมเมื่อเราคิดในเรื่องนี้ ทรงห้ามเสียจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ตรัสให้เห็นโทษพระเจ้าเนี่ยมองให้เห็นโทษของการฆ่าถามบอกว่าคนที่คนที่วิบัติเพราะสุขภาพเนี่ยเพราะฆ่าเนี่ยเพราะโทษของการฆ่านะคนที่ต้องมาประสบความวิบัติเพราะทรัพย์เนี่ยเพราะโทษของการลักของการหยิบฉวยนะ โทษของการที่จะต้องวิบัติเพราะคู่ครองทั้งหลายญาติมิทั้งหลายนีโทษของการประพฤติผิดในการมนะโทษของการที่จะต้องมีปากแต่คุณภาพของปากแย่มากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไม่มีคนเชื่อถือเป็นต้นเหล่านี้อันนี้โทษของการประพฤติผิดในข้อไม่สมรวมวาจาเป็นต้นนะแล้วก็โทษของความที่ ตนเองจะต้องเสียหายวิบัติต่างๆด้วยอํานาจของสติปัญญาเขาทั้งหลายก็เป็นโทษของการล่วงละเมิดศีรษาบทถ้าถามว่าพระเจ้าชี้ทีนี้เห็นในขณะที่งดเว้นจากการฆ่าเนี่ยนะสภาพที่งดเว้นจากการฆ่าได้เนะี่ยตอนนั้นเราเห็นคุณงโง่ได้ย่อมั้ยแต่การที่เข้าถึงแล้วก็เขียนเนี่ยลักษณะอย่างนั้นเขาเรียกว่า พุทธะเป็นสารณะเพราะนําออกซึ่งภัยถ้าเราไม่มีพทะเจ้าเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ทําไปอย่างนี้มันเป็นโทษมันเป็นภัยนะธรรมะเนี่ ย, ม, ยมีในส่วนของมรรคและก็ในส่วนของพระนิพพานกาจัดภัยก็คือนําออกซึ่งความกลัวของสัตว์ทั้งหลายโดยการทําสัตว์ทั้งหลายพ้นจากกันดานคือภพตราบใดเรายังไม่ประชุมอริยมรรคเนี่ยเรายังออกจากกันดานคือภพไม่ได้ใช่ไหม ส่วนผลคือพระนิพพานนั้นเนี่ยเบียดเบียนก็คือคำจัดนำออกซึ่งภัยของสัตว์ทั้งหลายทำให้รับความยินดีส่วนสารพระปริยัติเนี่ยคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นสารณะได้ด้วยการที่ทำให้เราเดินตามแล้วเนี่ยพ้น จ, จากภัยทั้งหลายด้ส่วนสังฆา ย่อมเบียดเบียนกำจัดนำออกซึ่งภัยของสัตว์ทั้งหลายด้วยการที่ให้สัตว์ทั้งหลายนั้นได้เฉพาะซึ่งผลนันภัยบูญนะสงเป็นทักษินายบุคคลัหมถ้าระวังเจตนาถูกวางใจได้ถูกน้อมในการบูชาสูงนสาวกของพุทธย่าอย่างแท้จริงนะที่เลิ่ที่ยอดเยี่ยมวานพืชคือตัวกุศลเนี่ยนะตัวเม็ดกุศลของเราเนี่ยมันเหมือนกับตัวเมล็ดพืช คุณของอริยาโสงก็ดีคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ก็เหมือนกับพืช น, นาที่บริบูรณ์ที่สุดใครที่หวานพืชคือเมล็ดพืชเนี่ยคือกุศลเจตนาในใจหวานได้มากเท่าไหร่ปริมาณของกุศลก็มากเท่านั้นทีนี้เราจะสามารถให้ควรอย่างไรที่จะสามารถให้กุศลเจตนาเป็นไปอย่างต่อนเนื่องให้สังเกตตดูนะว่าถ้าศรัทธาไม่แข็งแรงเนี่ยฉันท่าไม่ดีเนี่ยสมาธิไม่ตั้ง พอสมาธิไม่ตั้งมั่นในขณะที่ระลึกถึงคุณของประสงค์เป็นตคุณของประสงค์เป็นต้นเนี่ยก็ระลึกได้แป๊บเดียวการระลึกได้แป๊บเดียวมันเหมือนเราไปหว่านเอาเมล็ดพืชเอาไปหว่านห้าหกเม็ดน่ะแล้วจะหวังผลเลิศได้ไหมแต่ทั้าว่าเราไปหว่านข้าวในนาเนี่ยบางคนเนี่ยเขามีเมล็ดเยอะแล้วนาก็เยอะอยู่แล้วใช่ไหมพื้นานานทําไว้อย่างดีอยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงพื้นานานว่าดีหรือไม่ดีเพราะพื้นาน า, นานบริสุทธิ์บริบูรณ์อยู่แล้วแต่ให้ ดูเมล็ดพันธุ์ของเราเนี่ยในใจของเราเนี่ยที่เราไปหวานลงเนี่ยเห็นไหมการหว่านเมล็ดคือเจตนาเหล่านี้ใช่ตัววัตถุไหมมันเนื่องด้วยวัตถุแต่อวัตถุเป็นตัวปัจจัยเคื่อหนุนแต่ตัวที่จะหว่านจริงๆคือตัวเจตนาตัวกุศลเจตนาที่หวานลงแต่ถ้าคนสมาธิไม่ดีเนี่ยหว่านแป๊บเดียวก็คิดเรื่องอื่นใช่ไหมเหมือนคนมีความเพียรไม่ดีไม่ได้ตั้งใจในการจะหวานเมล็ดพืชลงในนา พอไปหวานหวานได้ครั้งเดียวเดินกลับเดินกลับบ้านแล้วถามว่าเมล็ดข้าวนั้นมันจะงอกเงเยเยอะไหมเยอะไม่เยอะเพราะอะไรเพราะสมาธิเพาราะความตั้งใจต่ำํำฉะนั้นตรงนี้เราก็หวานให้เป็นเียแต่เนี้ยตั้งใจทําฉันทะความปรารถนาอย่างแรงกล้าให้เกิดขึ้นแล้วให้สมาธิเกิดให้มีปัญญาสอดส่องว่าเราจะหวานยังไง เราจะหวานยังไงปัญญาก็พิจารณาดูระดับจิตใจของตัวเองเรื่อยๆแล้วก็มีการหว่านเมล็ดพันธุ์เรื่อยๆผลมันยึงไปบูนไงขนาดหวานกันแบบไม่ถูกนะยังได้รับผลกันขนาดนี้นะคนบางคนเนี่ยให้ทานไปแล้วก็ลืมให้ทานไปแล้วก็ลืมนีย่ยังได้ผลอันยิ่งใหญ่ไพศาลขนาดนี้ถ้าเราลองให้แบบประเภทที่ สมาธิก็ตั้งมั่นฉันท่าแรงมากฉันท่สมาธิและประธานสังขารเนี่ยวิริยะสมาธิและประธานสังขารกิตตสมาธิและประธานสังขารวิมังสาวิมังสาสมาธิและประธานสังขารหนึ่งชันท่แรงกล้ามากมีความมุ่งมั่นในการที่จะตั้งกุศลเจตนาอย่างต่อเนื่องและในขณะที่ตนเองเจริญทานในกุศลเป็นต้นเหล่านั้นเนี่ยไม่มีอารมณ์อื่นมาแทรกเลยจิตก็เป็นสมาธิตั้งมั่น และในขณะเดียวกันก็เพียรพยายามประคับประคองกุศลเจตนาให้เกิดขึ้นในอารมณ์นั้นในเรื่องนั้นอย่างต่อเนื่องถามยิ่งใหญ่ไหมแล้วเมษเจตนาคำนวณได้ไหมไม่ได้เลยอ่ะแล้วแต่คนบางคนเอามาคิดได้เป็นชั่วโมงอ่ะเมื่อถวายทานไปเบสเสร็จปุ๊บแล้ว ก, ก็ตรึกในเรื่องทานในกุศลเป็นชั่วโมงว่าไงเนี่ยเป็นเป็นกรรมฐานนี่อย่างเดีเนี้ยเป็นจารานุสติ ถามว่าเมื่อจิตนั้นเกิดความปลาโมดเกิดความปีติขนลุกชูชันเนี่ยนะเกิดสุกสม น, นะเกิดสมาธิที่ตั้งมัน่นระลึกในเรื่องนั้นอย่างต่อเนื่องผูกพันกับเรื่องนั้นอย่างต่อเนื่องทุกความคิดคือเม็ดของกุศลเจตนาที่หวานลงในเนื้อนาใช่ไหมตอนนั้ น, นชื่อว่าเริ่มเข้าถึงสาสนาหรื อ, อยังเริ่มเข้าถึงสาสนากิเลสในใจ คือความโลภลดลงไหมความโกรธลดลงไหมโทสะก็ลดลงโมหะก็ลดลงนะสภาพจิตใจก็จะผ่องใสก็เ อ, อิบอิ่มแล้วก็เบิก บ, บานขึ้นฉะนั้นสภาพของราคะโทสะโมหะลดน้อยได้เท่าไหร่ก็บ่งบอกถึงการเข้าถึงสารณาคมได้มากเท่านั้นยากอะไรอย่างนี้ <c oughs> นี่คือ ทวานกุศลเจตนารวมความว่าพุทธ ธ, ธรรมสังฆาเนะี่ยเป็นสาสนาเพราะเป็นเพราะเบียดเบียนนะนำออกซึ่งภัยของสัตว์ทั้งหลายด้วยการยางสัตว์ทั้งหลายพ้นจากทุกข์ในสังสารวัฏทั้งในระดับที่ป้องกันไม่ให้เกิดทุกข์ในใบภูมิัานนำไปสู่สุขตินะั้นในระดับและในระดับที่ออกจากวัฏะ ถ, ถึงความดับทุกข์โดยสิ้นเชิงนะตรงนี้สังเกตยังไง สังเกตดูว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าคําว่าคัตฉามิเนี่ยพุทธังจารนังคัตฉามิธรรมังจารนังคัตฉามีสังฆังสารนังคัตฉามียอมสํารวยแปลว่าอะไรคัตฉามีแปลว่าอะไรไม่กล้ารู้เดเาได้ต้องเดาที่เราจะถูกไหมถ้าไม่ถูกพระจะได้บอกต้องเดาที่ นี่ยมก็ิดว่าคัดสิ่งไม่ดีออกนี่นึกแล้วเนี่ยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเรียกวบาบลีเถื่อนนี่นะเดี๋ยวก็ไปแปลว่าตันหาแปลว่าทางมันตันนนยุ่งใช่ไหมละ่ะมันไปไหนไม่รอดมันตันมีคนแปลงจริงๆนะ ต้อตั้นหาเนี่ยแปลว่าทางมันตันฟังแล้วมึนเลยคัดฉามีแปลว่าคัดสิ่งที่ไม่ดีออกอันนี้มันคัดเนี่ยคอควายไม่หันจอจานฉาคือทช้อชิงสระเนี่ยมีก็คือมอมาสลีคัดฉามีตัวนี้แปลว่าอะไรจ๊ะแปลว่าไปก็แปลว่าถึง แปลว่าไปแล้วแปลว่าถึงอันนี้เป็นกิริยาที่เข้าหาที่น้อมเข้าไปหาน้อมเข้าไปหาใครน้อมเข้าไปหาพระพุทธเจ้าน้อมเข้าไปหาพระธรรมแล้วก็น้อมเข้าไปหาพระสงฆ์ทีนี้ <c oughs> แม่ฟังบาลีอย่างเงี้ยมาเลยงงลืมล <c oughs> ะะก <c oughs> ็ได้ทีนี้ เป็นกบไปหรือแปลว่าถึงก็ได้ในทีน่นี้ซึ่งไม่ใช่เป็นการเข้าไปหาคว้าเอามาเป็นที่พึ่งชนิดที่หวังผลโดนบันดาลไม่ใช่เข้าไปหาอย่างนั้นแต่เข้าไปหาหมายถึงน้อมเข้าไปศึกษาปฏิบัติตามถ้ามาเข้าไปหาเนี่ยนะหมายถึงเข้าถึงเนี่ย เป็นการน้อมเข้าไปศึกษาน้อมเข้าไปปฏิบัติตามตามอะไรตามความตัดสู้ดีของพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรเพื่อเพื่อน้อมเข้าไปศึกษาปฏิบัติตามความตัดสู้ดีของพระพุทธเจ้าโดยจุดมุ่งหมายเพื่อเ<ต>พื่อดับอะไรอเออเพื่อดับทุกเพื่อดับกิเลสเพื่อดับสงสาระวัต นั่นเราบอกพุทธทังสระนังคัจฉามีตรงนั้นเน่ะเราตั้งจิตเราไหมว่าเราจะน้อมไปศึกษาปฏิบัติตามพุทธโอวาทโดยเป้าหมายเพื่อการจะดับทุกคือกิเลสและทุกในสังสารวัฏเนี่ยให้ได้จริงๆเนี่ยกล่าบทุกครั้งในคิดอย่างนี้ไหมใช่ไหมล่ะ <c oughs> <c oughs> น้อมเข้าไปศึกษาศึกษาตอนนี้กําลังฟังอยู่ไหมเนี่ยฟังและในขณะที่ฟังไปเนี่ยกิเลสในใจก็ลดลงไหมในขณะที่ลดลงนี่ถือว่าปฏิบัติไหมนี่ไงศึกษ า, าปฏิบัติมันคําเดียวกันนั่นแหละมันคำเดียวกันนั่นแหละแต่มาแยกกันไงส้องคมไทยเนี่ยศึกษาก็คํานึงปฏิบัติก็คำหนึ่งก็เลยเป็นปัญหาจนทุกวันนี้แหละ ท, ที่หนักไปกว่านั้นก็คือไปศึกษาหรือไปฟังแล้วกิเลสไม่ลดมีแต่มานะที่ถีเพิ่มไอ้นี้ก็ผิดอีกเขาเรียกตั้งท่าทางใจผิดต <c oughs> ้ามีจริงๆนะอะลองไปฟังให้เกิดกิเลสสิหัวย้อนสํารวยมานั่งฟังปุ๊บเอออย่างนี้โตกไอ้ที่อย่างนั้นใช้ไม่ได้เดี๋ยวจะต้องไปด่ามันหน่อยเนี่ยฟังแล้วกิเลสเพิ่มมั้งงเงี้ยกิเลสก็เพิ่ม แล้วบางคนแปลกตัวนั้นนะพอฟังทำ ม, มาปุ๊บเออดีแล้วเราจะได้ไปบอกคนอื่นต้องจดเขาไว้ต้องจดเขาไว้มันเลยตนเลยตัวเองไหมเนี่ย<ด>เลยอีกไม่ขัดเก่าอีกทั้งทั้งที่ตนเองน้ําก็จะท่วมจมูกจะท่วมปากท่วมคอท่วมลิ้นอยู่ยังอยากจะช่วยคนอื่นอยู่นะให้ท่องเขาไว้ในใจเลยนะเราไม่สามารถช่วยใครได้เพราะเราไม่ใช่พระพุทธเจ้าท่องไว้เลย เราเนี่ยไม่สามารถช่วยใครได้เพราะเราไม่ใช่พระพุทธเจ้าอ่าแล้วแล้วพระมาพูดอย่างนี้แปลพระจะมาช่วยเราหรือเปล่า <c oughs> คืออย่างงี้นะเวลาพระบรรยายพระธรรมหรือผู้รู้บรรยายพระธรรมแล้วเราฟังฟังฟั ง, ฟงแล้วเราเข้าถึงสาระได้พอเข้าถึงสาณะได้กิเลสในใจก็ลดลงลดลงลดลงจากการที่เราจมอยู่ในลมเนี่ยลึกเนี่ยมันก็ค่อยๆถอนขึ้นถอนขึ้น ใครเป็นผู้ถอนเราขึ้นจากลมทีละน้อยละน้อยพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่ผู้พูดเพราะพระธรรมที่เอามากล่าวนะคือคําสอนของพุทธเจ้าพุทธเจ้าเป็นผู้ดึงกราลังชุดเราขึ้นจากลมขึ้นจากความเห็นผิดขึ้นทีละนิดละนิดละนิดเนี่ยนั่นแหละแต่อาศัยว่าผู้พูดเนี่ยพูดได้ถูกตามคําสอนความดีอยู่ตรงนั้นแหละแต่ผู้ที่ดึงเราขึ้นได้จริงๆคือพุทธะ คือท ร, รมาคือสัง่งคะเพราะเป็นสภาวะที่กำลังจะให้เราค่อยๆหลุดออกจากโลมจากโคลนตมจากปัญหาจากอุปสรรคจากความทุกข์จากความเศร้าหมองแห่งใจทีละน้อยละน้อยละน้อยแต่ถ้าหากเราฟังฟังไปปุบ๊บมันยิ่งจมลงเรื่อยจอมลงเรื่อยอันนี้แปลว่าคนฟังไม่เข้าใจนี่ใช่ไหมล่ะแต่ก็ต้องดูพระิกรรมด้วยอย่างนทีนี้ ถ้ามองอย่างนี้คําว่าคัตฉามิเนี่ยเมื่อกี้แปลว่าอะไรนะแปลว่าไปแปลว่าเข้าถึงใช่ไหมแปลว่าถึงด้วยถามว่าน้อมเข้าไปน้อมเข้าไปทําอะไรน้อมเข้าไปศึกษาปฏิบัติตามตามอะไรปฏิบัติตามความตัดสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรเนี่ยเพื่ อ, อความบนทุกข์เอาพุทธคัตฉามิคํานึงยังแปลว่ารู้ด้วย แต่ว่าเข้าใจด้วยเพราะั้นถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจเนี่ยไม่เรียกว่าคัดฉามีนะต้องรู้และเข้าใจด้วยนี้เป็นความหมายที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งนะแสดงการเข้าถึงที่เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการศึกษาปฏิบัติแล้วนี้แปลว่าการฟังแล้วก็การปฏิบัติตามได้แล้วจึงรู้และเข้าใจและได้รับผลของการปฏิบัติจึงรู้จึงเข้าใจด้วยตนเองว่าพุทธะธรรมะสังฆะเป็นที่พึ่ง เพื่อความพ้นภัยพุทธธรรมะสังฆะเป็นที่พึ่งเพื่ออะไรเพื่อความพ้นภัยและดับทุกได้อย่างแท้จริงอันนี้เป็นผลแล้วนะรู้แล้วเข้าใจเนี่ยเป็นผลของการศึกษาปฏิบัติแล้วถามว่าตอนนี้ความทุกข์ในใจของเราที่เกิดจากราคะโทสะโมหะมันค่อยๆลดลงบ้างไหมลองสังเกตดูนะ ไ อ, อความไม่รู้ทั้งหลายเหล่านี้มันค่อยๆกระจางหายไปไหมนั่นแหละแสดงว่าเริ่มเข้าถึงระดับหนึ่งแล้วความทุกข์ใจเพราะราคะกุ้มรุมโทสะกุ้มรุมโมหะ ก, กุ้มรุมมานะกุ้มรุมทิฏฐิกุ้มรุมมันค่อยๆเบาบางไปบ้างไหมเหลือมันยังมึนเท่าเดิมอยู่มันค่อยๆเบาบางลงเนี่ยแต่มันยังเป็นอาการที่ยังไม่แน่นอนเนี่ยนะ ไอ้ตรงเนี้ยแปลว่ามันเริ่มได้ผลของการเข้าถึงแล้วะน้อมเข้าไปศึกษาและปฏิบัติตามแล้วถา่ว่าการปฏิบัติตามคําสอนพระเจ้าเนี่ยปฏิบัติถ้าสภาพจิตใจที่เข้าถึงพระรัตนตรัยเดียวเนี้ยผลมันจะเกิดวันพรุ่งนี้หรือเกิดเดียวนี้แต่มันจะเป็นผลระดับไหนก็ว่ากันอีกที ระดับที่ว่าได้ความสงบแล้วต่อมากลับมาทุกต่ อ, อไอ้่เนี่ย น, นั้นก็อย่างนะแสดงให้เห็นชัดว่ากิจกรรมในการที่จะเข้าถึงความดับทุกข์ยังไม่จบเพราะยังเป็นชั้นของการขึ้นขึ้นลงลงอยู่แต่ถ้าใครฉลาดในบริบทของคำสอนด้วยฉลาดในการเดินกระแสชีวิตให้แนบสนิทกับพระรัตนตรัยได้อย่างตลอดเวลาท่านบูด น, นั้นก็ได้ความสุขจากการปฏิบัติได้ตลอดเวลา อยากไหมเนี่ยนี่ค่อยๆพูดช้าๆไปนะเนี่ยค่อยๆเจาะลงไปทีละนิดละนิดเพื่อเราจะได้เข้าถึงว่าเออตอนที่จะทําให้กุศลศีลเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นสารณะอย่างไรลําบากไห้โย <c oughs> ไม่ลําบากนะใครลําบากยกมือถะขึ้นหนึ่งว่ามันลําบากจุดไหนอย่างไร <c oughs> ยอมจมเลยลำบากก็ <c oughs> ลำบากไหมเนี่ย <c oughs> ไม่ลําบาก คัดฉามีแปลว่าอะไรฮะแปลว่าอะไรคัดฉามีแปลว่าอะไรอา้าวดูดูโพยใหม่อะดูโพยใหม่อา่าแปลว่าน้องเข้าไปศึกษาวังจรู้ดีของพระพุทธเจ้าให้โพยายเป้าหมายเพื่ออะไรเป้าหมายพือความครนทุกเออบรรทุก ไม่ใช่แปลว่าคัดออกนะงงเลยนะแล้วแปลว่ารู้แล้วเข้าใจได้ <c oughs> ไหมเข้าใจค่ะไม่คัดฉามนี้แปลว่ารู้แล้วเข้าใจด้วย <c oughs> อันนี้เป็นความหมายที่ลึกซึ้งกว่าคำเ ม, มาาื่อกี้เพราะอะไร <c oughs> เพราะรู้และเข้าใจเนี่ยแสดงถึงการเข้าถึงเข้าถึงอะไร เข้าถึงสาระคมที่เป็นผลจากการปฏิบัติหรือผลจากการศึกษาปฏิบัติและได้รับผลของการศึกษาปฏิบัติแล้วจึงมีความรู้จึงมีความเข้าใจด้วยตนเองว่าพุทธะธรรมะและสังขานี้เป็นที่พึ่งเพื่อความพ้นภัยได้จริงและดับทุกต่างระดับได้อย่างแท้จริง ตามสภาพแห่งการเข้าถึงนั้นๆมันดับทุกข์ได้จริงไงเช่นแต่ก่อนเนี่ยฟังคนอื่นด่าแล้วโกรธแต่พอเข้าถึงสาระแล้วการฟังคนอื่นด่าแล้วก็สามารถระ ง, งับความทุกข์ในใจได้จริงไง น, นะเริ่มเริ่มเริ่มระ ง, งับได้อย่างนี้เป็นต้นแล้วในที่สุดจริงๆสามารถถอนรากถอนโคนได้อย่างชัดเจนรากโคนในที่นั้นก็คือถอนกิเลส ให้หมดสิ้นไปจากกรมลสันดานได้อย่างชัดเจนอันนี้มันเป็นผลของการศึกษาปฏิบัติและเข้าใจคําว่าอุยพุทธะก็คือสภาวะที่ดับทุกข์สังขะก็คือสภาวะที่ดับทุกข์ธรรมะก็คือสภาวะที่ดับวัตถทุกข์ได้อย่างแท้จริงเมื่อไหร่นะพุทธะธรรมะสังขะจะรวมเป็นหนึ่งอยู่ในกระแสชีวิตของเราได้จริงใช่ไหมล่ะอันนี้ใช่การปฏิบัติไหมเนี่ย ทีนี้ถ้าเรามองดูพุท ธ, ธสังฆะหรือพุทธ ธ, ธรรมสังฆะเนี่ยเป็นสภาวะปฐมส์เนี่ยเนี่ยเป็นสาระที่พึ่งที่กระจัดภัยได้ก็โม่เมื่อต่อต่อไหนถามว่าพุทธ ธ, ธรรมสังฆะจะเป็นสาระจะเป็นเครื่องกําจัดภัยให้กับสัตว์โลกทั้งหลายได้ก็ต่อเมื่อเราได้ศึกษาและปฏิบัติปฏิบัติตามเลยตามพระธรรม ด้วยความภาพเพียรจนได้รับผลของการปฏิบัติคือกิเลสราคะลดลงโทสะโมหะเป็นต้นอ่ะระงับไปตามลาดับสิ้นกิเลสได้เท่าไหร่ก็สิ้นความสะดุ้งกลัวและความทุกข์ต่างๆได้เท่านั้นนความทุกข์เนี่ยวัดกันตรงไหนวัดตรงที่ว่าถ้ากิเลสมากทุกมากไหม ถ้ากิเลสน้อยทุกน้อยถ้ากิเลสไม่มีมความทุกข์ก็ไม่มีฉะนั้นการถึงพุทธธรรมสังฆาเนี่ยเป้าหมายก็คือเพื่อต้องการจะทำให้กิเลสนั้นสิ้นไปจากกาม ล, ลสนันจากสภาพของกระแสชีวิตอันนี้ใช้พูดเรื่องการปฏิบัติไหมเนี่ยใ ช, ใช่ไหมทีมนี้จะถึงยังไง ถ้าหากสิ้นกิเลสเท่าไหรก็สิ้นทุกข์ถามว่าความสะดุ้งกลัวนี่มาจากกิเลสหรือคนไม่มีกิเลสจะกลัวไห ม, มลและคนที่ข่มกิเลสได้นะขนาดยังละได้ไม่เด็ดขาดก็ไม่กลัวเอายกตัวอย่างนะคือพระโพธิสัตว์เนี่ยตอนที่บำเพ็ญบา ร, รมีท่านไม่เคยกลัวอะไรเลยถามยอมกลัวผีไหมตอนนี้กลัวไหม ถ้ามีสาระในใจแล้วจะกลัวผีไหมกลัวกลัวกลัวงูไหมบางคนเนี่ยกลัวแม้แต่ตั้งเขียดตัวเล็กๆพอเราโดดขึ้นมาโหอยู่ไม่ไหวแล้วบางคนก็กลัวกลัวคางคกอะไรกลัวซะบางคนก็กลัวกิ้งคืออันนี้บอกๆถึงอะไรตอนนั้นมีสาระไหมไม่มีสาระฮะ ฉะนั้นไอ้ ก, กิเลสนั่นแหละเป็นเหตุทําให้มนุษย์กลัวฉะนั้นพระโพธิสัตว์ให้สังเกตดูที่สภาพจิตใจที่ท่านมั่นคงในสารนาเนี่ยท่านจึงไม่กลัวท่านยืนเผชิญหน้ากับราชสีห์ก็ได้กับเสือก็ได้ท่านไม่กลัวและให้สังเกตดูนะตอนที่มีอยู่ชาตินึงนะตอนที่ท่านเป็นพระโพธิสัตว์แล้วก็มีบอกว่าในป่านี้มียักษ์ ยักษ์ที่ขนเป็นขนเป็นเข็มขนเป็นน้ำเนี่ยนะแล้วก็คอยจับมนุษย์กินท่านก็เลยบอกว่าเดี๋ยวท่านไปจัดการเองท่านที่ท่านเป็นมนุษย์เนี่ยนะท่านไม่ได้มีพลังอะไรเท่ายักษ์นะแต่กําลังใจที่ท่านไม่กลัวเพราะท่านมีสรรพคุณแข็งแรงเนี่ยพอไปเบียดเสร็จท่านมีอาวุธใช่ไหมท่านมีอาวุธก็คือพวกธนูพวกหอกเนี่ยพอเบียดเสร็จแล้วท่านก็เอาใช้อาวุธธนูและหอกเนี่ยพุ่งไปที่ตัวยักษ์เต็มที่เลยนะ ไอ้ธนูเอยลูกหอกเอยหน้าไม้ทั้งหลายเหล่านี้พอยิงเข้าไปเนี่ยเบสเกตก็ติดขนของยักษ์หมดเลยเจ้าอย่างเราก็วิ่งหนีแล้วตั้งแต่นั้นเนี่ยนะทีนี้ท่านก็ต่อสู้เอามาเอามีดไปฟันฟันก็ติดอีกเอากระบองอะไรต่างไปทบนี่แล้วก็ติดอีกนะเข้านะเข้าท่านก็ใช้เท้าและมือที่มีอยู่เอาเท้าเตะเข้าไปก็ติดอีกมือต่อยชกเข้าไปก็ติดอีกเนี่ยนะ นเนีข้าเหลือหัวท่านข้าหัวทุมอยู่ตตเตะๆกันหมนี่นะยักษ์ก็เห็นเอ๊ะทําไมทําไมท่านพู้นี้ไม่เคยกลัวเราเลยปกตินี่ไม่มีใครวิ่งมาสู้เราอย่างเนี้ยนะแต่ท่านพู้นี้ไม่เคยกลัวเลยนี่ก็เลยก่อนจะกินก็ถามก่อนเอ๊ะถามหน่อยทําไมถึงไม่กลัวเราท่านบอกท่านไม่กลัวเราเพราะที่ท่านมาตรงนี้เพราะท่านมีปัญญาเออท่านมีอาวุธไงคือในตัวของท่านมีอาวุธเต็มไปหมด สมมติถ้ายักษ์กินท่านไปเนี่ยหัวใจของยักษ์ก็จะแตกสลายเพราะอาวุธในตัวของท่านเนี่ยทำลายออกใช่ไหมไอ้ตรงนี้ถ้าถามว่าพระบริสัทธ์โกหกเปล่ายักษ์ก็เลยไม่กล้ากินแล้วก็ปล่อยแล้วต่อมาเนี่ยพระบริสัทธ์ก็เลยให้ยักษ์รักษาศีลนะฮะตั้งแต่นั้นก็ไม่ฆ่าสัตว์อีกเหตุผลคือว่าหนึ่งท่านรู้ว่าบุญของท่านเยอะท่านรู้ว่าบุญของท่านเยอะถ้ายักษ์ตัว น, นี้กินท่านเมื่อไรเนี่ย ยักษ์ตัวนี้ต่อไปก็จะแตกหัวจะแตกเกดเสียงไงคือจะต้องตายนะคือปัญญาบา ร, รมีที่บำเพ็ญมาทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีที่บำเพ็ญมาใครจะทำาย้าท่านไม่ได้ไงท่านเลยบอกคำนี้แกยักษ์นั้นถามว่ายักษ์นั้นต่อมาคือใครรูม้มในปัจจุบันในพอนี้คือองค์กุลิมาไงถ้าในรัตน์กรณีอย่างนี้เราจะเห็นชัดว่าคนที่มีสาระมั่นคงเนี่ยไม่กลัว ถามว่าถ้าคนเดินสุดจริตสามตั้งมั่นในสารณาคมเนี่ยเขาไม่กลัวตายตายแล้วเขาได้ดีกว่าเดิมไหมตายได้ดีกว่าเดิมสมมตุติาวันนี้ถ้าเราตายเราได้ดีกว่าเดิมไหมถ้าลมหายใจขาดวันนี้คิดว่าเกิดมาแล้วจะมีบ้านเรือนไทยเยอะๆอย่างนี้ไหมตายตอนนี้ดีมากทล่เราความคิ ถ้าถ้านั่งหลับฟังธรรมน่ะ <ไป S 1> ถ้านั่งถ้านั่งหลับฟังธรรมเรียกว่าตายแล้วไปสุคติไหมไม่ไปอีกเห็นไหมเนี่ยไม่ใช่ว่าถ้าไม่ใช่ว่าเออฟังธรรมจะได้ดีบได้ดีเสมอไปในขณะที่ฟังกําลังเครียดอยู่แล้วใจขาดในขณะนั้นก็ไปไม่ดีฉะนั้นประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าเออเป็นผู้ตั้งมั่น ในสารณคมจริงมั้งตรงนี้ก็คือว่าสารณะเป็นที่พึ่งก็จัดภัยได้ก็ต่อเมื่อเราได้ศึกษาปฏิบัติตามพระสัทธรรมด้วยความภาคเพียนได้มีคือศึกษาฟังด้วยความภาคเพียนฟังได้เกิดความชันทะเนี่ยนะอย่างแรงกล้าเพียนอย่างแรงกล้ามีจิตเจิดจอยอย่างแรงกล้าแล้วมีปัญญาสอดส่องไข้ครวญสภาพจิตใจของตนเองในการที่จะยกระดับจิตใจในการฟังก็จะเข้าถึง สารณะอย่างแท้จริงอย่างนี้เขาเรียกว่าปฏิบัตินะปฏิบัติแล้วจนได้รับผลของการปฏิบัติก็คือกิเลสลดลงให้สังเกตนะบางคนมานั่งฟังธรรมกิเลสไม่ลดทีน้ํำอิฐาเริ่มมากขึ้นมากขึ้นเห็นไหมเริ่มซึมหงอยง่วงซบเซาอันนี้การฟังธรรมนั้นเข้าถึงสารณะไหม เพราะกิเลสไม่ได้ลดลงแต่กลายเป็นกิเลสมันเพิ่มขึ้นอันนี้ผลของการฟังและการปฏิบัติยังไม่ได้ไม่ได้ฟังแล้วมันเหงามันโศกไอ้ความเหงาและความโศกใช่กิเลสไ ม, ไมกิเลสนั่นแหละกิเลสมันเพิ่มแสดงว่าการฟังของเราเนี่ยผิดพลาดหรือการนั่งบางคนนั่งกรรมาฐานเนี่ย นั่งในเป็นวันแต่หลับอยู่นั่นแหละปึ๊กปึกปึกอยูนย่นั่นแหละเห็นไหมล่ะโยมาใส่โยขมือทำสิ่งเดียวไม่งั้นก็แย่ก็คนคนเขาก็ใส่เขาก็เป็นแบบนี้โยจิตที่หยาบหยาบเนี่ยเขาก็อาใส่งานมาช่วยเช่นที่มันง่วงนอนก็หยิบจอบหยิบเสียมไปขุดอะไรมันก็มันก็หายง่วงเหมือนกันนป<ร>ะป<อ>ัดเด็นมันไม่ได้อยู่ว่าจะยก สิบสี่หรือสิบห้ายังหว่ไม่ยกไม่ได้อยู่ตรงนั้นเลยมันอยู่ตรงที่ว่าเข้าใจแล้วเข้าถึงหรือเปล่ามันอยู่ตรงนั้นถ้าเข้าใจแล้วเข้าถึงเนี่ยเขาสามารถนั่งอยู่ในยาบทเดียวเนี่ยนะเป็นแปดชั่วโมงก็ได้พระเนี่ยเจ้ละอง์ที่ฝึกมาดีทังเยดีต้องให้ท่านนั่งเนี่แป๊บท่านนั่งได้กันเป็นทีละห้าหรือหกสี่ชั่วโมงสามชั่วโมงเป็นเรื่องปกติไงโย่แต่ประเด็นมันอยู่ว่าเรา เราฝึกจิตมาดีหรือยังทุกวันนี้อาศัยว่าเออมันง่วงก็ลุกไปเดินหรือไม่อย่างนั้นพยายามยกม้ยกมือกันเพื่อจะไม่ให้กิเลสมันเพื่อไม่ให้มันง่วงมันก็เหมือนการไปทำงานแต่จริงๆมันไม่ใช่ประเด็นสำคัญก็คือว่าการเข้าใจการเข้าถึงและการรู้มีความรู้มีความเข้าใจในการที่จะฟังแล้วสามารถ ก็ชันทะมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าหรือมีความเพียรอย่างแรงกล้าหรือมีจิตจดจออย่างแรงกล้าหรือมีปัญญาสอดส่องในการยกระดับจิตใจของตนเองให้เข้าถึงสาระอยู่ตลอดเวลาและกระป้องการกิเลสคือราคาโทสะโมหะทั้งหลายที่จะมากุ้บูรพ์จิตใจประคับประคองใจงตนเองเพื่อการพัฒนาสู่ปาโมดปีติปัสสติสุขและสมาธิ เป้าหมายคือการได้ยานปัญญาที่ทองแท้ในการที่แทงตลอดความจริงของโลกและชีวิตตามความเป็นจริงใช่ไหยล่ะทีนี้ถ้าในขณะที่เราฟังธทรำรเนี่ยเราถูกกิเลสรบกวนตลอดตอนนั้นในขณะนั้นเรียกว่ายังไม่เข้าถึงยังไม่รับผลยังไม่ได้รับผลจากการเข้าถึงสถานะ แต่ถ้าได้รับผลจากการเข้าถึงสาระสภาพกิเลสต้องเบาลงทีนะมีท่าเป็นกิเลสไหม <Okay. S 1> ไอ้ง่วงเงาหา้าวนอนเนี่ยซึมเศร้าเนี่ยเป็นกิเลสไหม <Okay. S 1> หดหูทอ้อถอย <Okay. S 1> ฟุง้งซ่านกำหนัดยินดีเ <Okay. S 1> ครียดกโกรธ <Okay. S 1> ความมืดบอดของจิตสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นกิเลสที่กุ้มรุมใจแล้วก็สังเกตตรงเนี้ยสภาพเห็นการเข้าถึงสาระเนี่ยชัดหรือไม่ชัดก็ดูตรงนี้เป็นประมาณถ้าว่าอุย้ยดิฉันฟังไม่ได้ฟั ง, ฟงแล้วเดี๋ยวหลับ ไอ้ น, นี้แปลว่าอะไรสภาพกิเลสกุ้มลุมหนักมากอันนี้ยังไม่รับผลของการศึกษาและการปฏิบัติถ้าผลของการศึกษาและปฏิบัตินี่แปลว่าจะต้องกําจัดสิ่งเหล่านี้ได้จริงมีเป็นอย่างนี้นะยองตรวจสอบตัวเองได้อย่างเดี๋ยนี้นศึกษาบ า, บางวามรู้วันนี้ค่ะแล้วที่มันเฉยๆอะครับจะสังเกตยังว่ามันเป็นปูนหานนอยอู่ว่าอ๋อเฉยมีสองอย่างนะ อาการเฉยนี่มีสองอย่างเฉยแบบอัญญานุเบกขาคือเฉยแบบไม่รู้เรียกเฉยเมยเนี่ยเฉยเมยอะเฉยแล้วมึนๆแล้วไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วมันเฉยไปอย่างนั้นลักษณะนี้เฉยแบบไม่มีญาณปัญญาไปไข่ควนแต่การว่าเฉยที่ทรงมุ่งหวังหมายถึงอาการที่เฉยแต่เป็น ตัวที่สามารถปรับความสมดุลของสภาวะธรรมได้แล้วยกตัวอย่างเช่นสามารถทำศรัทธากับปัญญาให้มีความสมดุลกันแล้วทำสมาธิกับความเพียรให้มีความสมดุลกันทำสตินั้นให้มีความแข็งแกร่งในการที่จะดำเนินสู่การยกกระแสจิตใจของตนเองนั้นให้เข้าถึงพรรัตนาไตรอย่างทองแท้ท่านอุปมาเหมือนรถ ที่วิ่งบนทางเรียบแล้วม้า ม, ามา้าที่ที่เทียมรถนั้นก็ก็ฉลาดทางนั้นก็เรียบสภาพคนขับรถนั้นไม่จาเป็นต้องประคับประคองอะไรมากเพียงแต่นั่งแล้วก็สังเกตดูไปแล้วรถนั้นก็วิ่งเรียบตามถนนไปไอ้นี้อุเบกขาเนี่ยมันไม่ได้เกิดง่ายๆ ที่จะมีความสมดุลอย่างนี้นะนี่แปลว่ามีการปลุกเล้าฉันเช่นศรัทธาศรัทธายังไม่แข็งแรงก็ตั้งศรัทธามีความเชื่อมั่นในพระธรรมไตรมาขึ้นวิริยะยังไม่ค่อยเพียรพยายามก็ภาพเพียรพยายามมุ่งมั่นในการที่จะทำให้สมาธิตั้งมั่นสติก็มีความระลึกอย่างแรงกล้าสมาธิก็มีความตั้งมั่นป้องกันความฟุ้งซ่าน ปัญญาก็มีการเข้าไปรอบรู้ตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นๆแล้วมีการยกคุณธรรมเหล่านี้ขึ้นมาสู่ระดับสูงแล้วแล้วต่อมาเมื่อคุณธรรมเหล่านี้มาอยู่ในระดับสูงเนี่ยแต่ไม่สามารถที่จะแทงตลอดความจริงได้ก็เลยต้องมีการมาปรับธรรมะอีกทีนึ่งแต่ไม่ใช่พอปุ๊บเดียวแล้วเฉยอันนี้เฉยอย่างเงี้ยวโมหกินโดยส่วนใหญ่มันเป็นไปไม่ได้ยังไม่ได้มีการยกระดับคุณธรรมในใจขึ้นมาเลยเนี่ย แต่อยู่ๆจะมาปรับแล้วเนี่ยตอนนี้นะถ้าที่จะให้บอกเนี่นะตอนนี้อ่อนทุกตัวศรัทธาก็อ่อนตอนนี้นะวิริยะก็อ่อนสติสมาธิและปัญญาก็อ่อนอย่าเพิ่งถามการปรับให้มีความสมดุลที่เป็นเอวขานะตอนนี้อ่อนแอมากอ่อนแอคือว่าทำยังไงจะออกจากความไม่มีศรัทธาได้เข้าถึงศรัทธาที่มั่นคงในบรรัตนาตราย ทำยังไงจะออกถึงความเกียดค้านได้ถามว่าคนที่ง่วงบ่อยๆนี่คือคนเกียดค้านเอ้เราก็เห็นคนไปทํางานเก่งเหลือเกินเนี่ยไม่ใช่เกียดค้านในที่นั่นก็คือปล่อยให้จิตมันหลับทําให้จิตมันตกผวังเยอะทําให้จิตมันซบเซามากนี่เรียกเกียดค้านในการไม่สามารถจะตุ้นจิตตัวเองออกจากความง่วงออกจากความซึมเศร้าได้แล้วก็ก้าวสู่ความเพียรได้แต่พอเพียรมากๆคนประเภทนี้จะพุ่งง่ายนะ นังเกีตโดยเพราะสมาธิอ่อนแออีกพอเพียนพอเริ่มทาท่าจะเพี้ยนเพียเพีย น, ยนหน่อยออนนี้ทั้งหมดเหล่านี้คือการพูดการที่จะทําใจขึ้ตัวเองให้เข้าถึงสารณคมนะเดี๋ยวจะไปชี้ประเด็นให้ดูว่าศีลเป็นสารณะอย่างไรสมาธิเป็นสารนะอย่างไรปัญญาเป็นสารนะอย่างไร